ยังไงเสียเราต้องฟันฝ่าไปจนได้แต่คิดว่าโอ๊ยฉัน ยกนิ้วมีไหวให้มีสาระยิ่งขึ้นนะไม่ไม่ไม่ใช่หลายสาระยิ่งตื่นใจนี่คือสาระผม นี่ก็กลุกไปไม่ได้ เต็มเต็มที่หรือเต็มๆที่ใจๆขึ้นมาๆกระไผ่นี่ๆขึ้น เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังอธิบายนิดนึงก่อนตรงนั้นนั่นไปมีข้อความในในประโยคนี้เขา ขยายวงอีกถอยถอยหลังถอยอ่านั่นๆๆขยับวงคำว่าอืมเวลาจะ มันจะมีจุด 1 ที่ได้ดุลพอดีเต็มเต็มส่วนเข้าใจมั้ย <c oughs> ผมมีประสบการณ์บ้างครับในเรื่องของโลกกว้างคือในสถานการณ์สากลเฉพาะว่ากรณีเด็กสาวๆอย่างพวก เป็นพันล้านในโลกนี้ไปเยอะๆอยู่ที่คอนเสิร์ตกลางแจ้งคอนเสิร์ตติดแฮลอะไรนั้นเนี่ยมากมาย โดยปกหลวงออกได้ยินได้ฟังแล้วยังมีโอกาสได้ลิ้มลิ้ม ผู้เด็กของเขาผู้เฒ่าผู้แก่คุ้มมาอยู่เข้าใจมั้ย พอโดยทั่วไปแล้วคนทุกคนเนี่ยคิดแต่เรื่องตัวเองดังนั้น<นะ> ที่ถูกมากดอกนิดเดียวเราจะฆ่าตัวตายเสียได้พอโอ้โหคนนู้นอดอยากยากไร้เรื่องเราเลยหายหัวไปเลยเข้าใจมั้ยครับดัง กับมนุษย์ให้มากที่สุดนะคิดทีนึงบอกนะที่หลังพอมันๆเราตั้งใจจาก วันนั้นน่ะจะไปจะหรือไอ้อุปสรรคเล็กน้อยมันก็ไม่ทำไมสินั่นแล้วก็ เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ครับยังทุกข์อยู่เราเห็นความทุกข์เราก็เป็นทุกข์เห็นความยากจนเราก็เราก็เราสิ่งดีๆกับสังคมซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทอง เมื่อเราพูดกันแล้วในเรื่องที่ว่าเราควรอ่าและเอาล่ะอ่า กรบจะเรียกว่าคิดก็ไม่ใช่ครับไอ้ความรู้สึกตัวๆเพียงแต่ตั้งใจๆกับ ปรากฏณ์ว่าโคควายวายที่บได้เขาหนังนี่ครับจําได้มั้ยวัวควายตายมันยังมีกระดูกไม่มีใคร ทุกส่วนในร่างกายของพระฤาษีที่คนรุ่นหลังจะลังเกียดทั้งสิ้นครับฟันก็ๆนะ ไม่ใช่กองมดกลุนทองบ้านที่เมาคอยคนหนึ่งๆที่ปฏิบัติดี มันจําเป็นต้องเป็นอย่างมหาตมะคันธีหรือตั้งใจอย่างนั้นๆที่ที่โลก เราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนที่เลวร้ายจะหมดโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวนี่โอกาสที่จะฝึกรู้ตัวเองให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนี่สูงเขาผู้นั้นใคร เขาก็จัดการเป็นคนหนึ่งซึ่งช่วงชิงสิ่งต่างๆออกจากการให้นั่นคือการยื้อแย่งมามันตั้งใจให้มากครับ โดยดวงเนตรหมายเงี้ยแสดงว่าใจมันเริ่มประสานวันเราปรึกษาหารือใน หามคุยเรื่องอื่นนะครับเรื่องจะดูหนังเรื่องศึกแล้วจะไปดูที่โรงนั้นน่ะตกประเด็นประเด็นต้องตกไปตั้งสภาสตรีขึ้นอยู่ดิเออแล้วคุยในเรื่อง ท่านร่วมด้วยดีมั้ยครับนั่งด้วยถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรอยู่ ผมถามโยมชีครับก่อนดีมั้ยถามโยมชีแล้วยัง ก็ปกติคำพูดเอ่อภัสนากิจหรือจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็ได้ไม่ มันใช้ใช้ความมึงแรงหรือใช้ความเหลียวเหลยเวลามาคุยผม ก็หมดกันแล้วนะครับนั้นคําพูดที่ว่าไม่ได้บุรุษก็หาเข้า <laughs> เวลาไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรนะแสดงใหญ่เลยตัวๆก็ได้ครับนึกถึงนิทานที่มีประโยชน์ขึ้นมาหรือคําคมที่จําเข้ามาก็ Ben no boy pauyirng khong ha. ก็อยากพูดสวัสดิ์ที่ประสบกับตัวเองนะฮะจากชีวิตการ ที่มีกอร์ในในทําเนี่ยก็คือก็เรื่องเกี่ยวกับเครื่องของ ไอ้สิ่งเลิศที่รับไอ้เลิศนะไม่สิ่งที่ไม่ไม่เลิศหรอกก็ได้รับไม่เคยเลิศมือให้หัวใจในการ <c oughs> แล้วดีขึ้นนะคะคือมีความว่าตั้งแต่อาจารย์ๆขึ้นเงี้ยครับหาคํา อย่างแรกดูว่าตอนนี้เราไม่ได้ นะสุดขอบพระคุณ ที่เช่นการที่เราไม่อยากอยู่คนเดียวผ่านมานี่มันสอนให้เรารู้จักชีวิตมากขึ้นนะๆอย่างในชีวิตเป็นทั้งครูทั้งบทเรียนแล้วก็ทั้งหลาย ค่ะนั่งแต้มมาอยู่ที่นี่ๆได้ค่ะก่อนจะมานะคะ อันนี้จริงไม่ใช่นะคะเป็น ตอนมาที่นี่ก็เป็นคนที่ เราเราได้สิ่งที่สําหรับเป็นสิ่งเริ่มต้นเพื่อไปทําต่อไปนะคะสําหรับตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าแต่คิดว่าจะลองทําดูนะคะภกิจเริ่มต้น ฝังเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาลายลงค่ะก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> คือตอนแรกก่อนที่จะมาบวชว่าอืมบวชที่สันติเมตรีก็ว่าอืมครรนี้สันติเมตรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ เอ่อค่ํานี้นะสันติเมตรีแล้วก็อีกอย่างคือจะคือนิทานนี้อ่านมานานแล้ว 3 คน นะคะ. ผมก็ละกันนะชื่อนิดน้อยหนองนะคะแล้วก็ว่าจะซื้อแล้วก็ก็เห็นเรือเพลนหนังสือเล่มนึงก็ การให้ของขวัญนั้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเค้าก็ไปเปิดอ่าแล้วก็พอเค้า ของในห้องเก็บของเนี่ยรักให้เป็นระเบียบมากเลยพอถึง อะไรเนี่ยดีอะไรเนี่ยดีแล้วก็น้องยังได้เขียนกระดาษค่ะคือเนี่ยค่ะ การกระทําเนี่ยก็สําคัญนะคะแบบการกระทําเนี่ยบางที คนเนี่ยคิดว่าจะอืมจัดจัดคือคิดว่านั่นคือถ้าเราอยากให้ Si no fit logr it